ศาสนาคําว่าพุทธศาสนามันไม่ใช่ชื่อนเดี๋ยวนี้นะในวัดในวาในพระในเนมีตัหัวร่นโลนวิ่งหาตามวิ่งตามกิเลสฉะนั้นผู้ที่จะวิ่งตามธรรมนี้น้อยมากนะอย่างวัดต่างๆนี่เราไม่ได้ประมาทนะผู้ที่ท่านทรงอจัจตริยธรรมอยู่ในวัดในวาเงียบๆมีเยอะนะเหมือนในลัดว่าวั ด, วดใหญ่วัดน้อยวัดอะไรแล้วนะมีอยู่แต่ท่านไม่แสดงออกเพราะพวกนี้ที่ของทัพกิเลสมันลุมเอาลุม่มเอาอืม เหยาะเย้ยสูงใหญ่พูดเถื่อนสีกระทบกระทงังแต่ผู้ปฏิบัติดีมันจะล่าขดเว้น่วกของมันพวกขหนอนเข้าใจไหมเวลานิ่งพี่จะอย่างนั้นนะ่ะผู้ที่บัปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านซุกหัวท่านอยู่องค์เดียวองค์เดียวอย่างนี้อยู่ในวัดหนึ่งหนึ่งมีนะไม่ใช่น้อยน้อยนะมีแต่ท่านไม่สแสดงออกปล่อยให้แต่พวกเปรดพวกผีสแสดงออก